จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25าพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิเเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าง จากภารกิจการงานจึงได้ตั้งใจมาวาัดกันเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นการทำนุบำรุงดูแลรักษาจิตใจให้อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าพอะพอจิตใจก็เป็นเหมือนกับร่างกาย ร่างกายมีความจำเป็นต่อปัจจัยสี่อย่างไรจิตใจก็มีความจำเป็นต่อบุญกุศลดังนั้นเพราะบุญกุศลนี้ก็เป็นเหมือนปัจจัยสี่ของใจคือเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งหง่มเป็นยารักษาโรคเป็นที่หลบแดดหลบฝลเป็นที่พึ่งทางใจ ร่างกายต้องมีปัจจัยสี่คือร่างกายต้องมีอาหารรับประทานมียารักษาโรคไว้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่เพื่อความสวยงามและมีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆใจก็มีปัจจัยสี่เช่นเดียวกันเพียงแต่ปัจจัยสี่ของใจนี้ไม่ได้เป็นวัตถุ เหมือนกับปัจจัยสี่ของของร่างกายปัจจัยสี่ของใจนี้เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทาความดีต่างๆเช่นการให้ทานการเสียสละการรับใช้ผู้อื่นก็เป็นเหมือนกับอาหารของใจเพราะเมื่อเราได้ทำแล้ว ใจจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความพอใจส่วนเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีลธรรมการประพฤติที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นศีลห้าละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมา การไม่กระทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจเป็นจิตที่สวยงามน่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคมด้วยคนที่มีศีลนี้จะมีศักดิ์ศรีมากกว่าคนที่ไม่มีศีลคนที่มีศีลเป็นคนที่น่าเคารพเลื่อมใสน่าไว้วางใจน่าคบหาสมาคมส่วนคนที่ไม่มีศีล เป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวยงามใสเป็นคนที่น่านาร้อเกียนไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยเพราะคนที่ไม่มีศีลมักจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนสวยงามเราต้องสวยงามทางจิตใจส่วนความสวยงามทางร่างกาย เป็นเรื่องรองลงมาถ้ามีบุญบารมีมีปัญญาที่จะแต่งกายให้สวยงามก็แต่งไปแต่ถ้าไม่มีศีลแล้วถึงแม้จะมีความสวยงามทางกายมากน้อยเพียงไรก็จะไม่ได้เป็นความสวยงามที่แท้จริงคนที่ไม่รู้จักเรา อาจจะชื่นชมยินดีในความสวยงามของร่างกายของเราไปในเบื้องต้นแต่ถ้าได้อยู่กับเราได้สัมผัสกับความไม่สวยงามทางจิตใจแล้วความสวยงามทางร่างกายก็จะหมดความหมายไปเพราะอนุภาพของความสวยงามหรือไม่สวยงามของจิตใจนี้มีอนุภาพมากกว่า ความสวยงามหรือความไม่สวยงามของร่างกายดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะกังวลกับความสวยงามทางร่างกายมากจนเกินไปทาไปพอสมกับฐานะสมกับเหตุผลสมกับกาลเวลาแต่สิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญให้ความสวยงามกับจิตใจเราให้มาก เป็นสิ่งที่เราควรจะทำให้มากด้ว ย, ยดวยการพยายามรักษาศีลไว้ให้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรืออยู่รับหลังผู้อื่นเพราะถึงแม้ผู้อื่นจะไม่รู้แต่ตัวเราเองนั่นแหละจะรู้ว่าเราสวยงามหรือไม่สวยงามถึงแม้ถ้าเราสวยงามแล้ว ถึงแม้จะไม่มีใครชื่นไม่มีใครชมเราไม่ได้ให้รางวัลอะไรกับเราเราก็ยังสามารถชมเราได้เต็มปากเพราะเรารู้ว่าเราสวยงามจริงๆแต่ถ้าเราไม่สวยงามถึงแม้จะมีผู้อื่นชื่นชมแสดงความชื่นชมยินดีต่อเราเราก็จะไม่รู้สึกที่จะยินดีตามไปด้วย เพราะเรารู้ว่าเรายังไม่ได้ดีตามที่เขาชมรานั่นเองดังนั้นเรื่องของความสวยงามทางจิตใจนี้จําเป็นต้องมีอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรืออยู่ลับหลังผู้อื่นขอให้เราพยายามให้ความสําคัญต่อความสวยงามทางจิตใจเพราะนอกจากจะ ทำให้เราเป็นคนที่มีศักดิ์มีศีมีเกียรติเป็นที่น่าเคารพนับถือแล้วยังให้ความสุขใจกับเราเราจะมีความรู้สึกที่ไม่หวั่นไหวกับการคารหานินทาของผู้อื่นเพราะคำพูดกาหานินทาของผู้อื่นนั้นไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงนั่นเอง ต่อให้เขาสาบให้แช่งเราว่าเราเลวเราร้ายอย่างไรแต่ถ้าเราไม่ได้เลวไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาสาบแช่งก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเราจะไม่รู้สึกวิตกกังวลต่อคำพูดของผู้อื่นหรือแม้แต่คำชมเชยของผู้อื่นเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเช่นเดียวกันเพราะความสุขที่ได้รับจากการมีศีลนิ่มมันมี อนุภาพมากกว่าความคาชมเชยของผู้อื่นดังนั้นคนผู้จะชมเชยหรือไม่นี้จะไม่ค่อยสำคัญสำหรับคนที่มีศีลมีธรรมอยู่ภายในจิตในใจเพราะศีลและธรรมนี่แหละเป็นเป็นเครื่องที่จะสนับสนุนจิตใจส่งเสริมจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขจึงขอให้เราให้ความสำคัญ ต่อการรักษาศีลอย่าเพียงแต่รักษาเฉพาะในวันศีลคือในวันพระเท่านั้นความจริงวันพระนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อให้เราได้มีโอกาสมาทบทวนดูว่าศีลของเราในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้บกพร่องมากน้อยเพียงไรศีลห้าเรามีครบหรือไม่อย่างไร เมื่อเราได้ทบทวนแล้วถ้ารู้ว่ามันบกพร่องเราก็ควรที่จะระมัดระวังในอาทิตย์ต่อไปในสัปดาห์ต่อไปว่าเราจะรักษาให้ดีขึ้นถ้าเราพูดปดมากก็ขอให้พูดปดน้อยลงถ้าเราดื่มสุราก็ขอให้ดื่มน้อยลงถ้าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ขอให้พยายาม เหล็กเลี่ยงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเราเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ในทางเวลาเช่นการทํางานของเราถ้าเราเป็นลูกจ้างแล้วเราเอาเวลาของที่เขาจ้างเรามาทํางานนี้ไปทํางานอย่างอื่นไปทํางานส่วนตัวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์เช่นเดียวกัน เพราะทรัพย์ที่เขาให้เรามาเป็นค่าจ้างนี้เขามีไว้ให้เราทำงานให้กับนายจ้างไม่ได้ให้เราไปทำงานให้กับตัวเราเองหรือกับผู้อื่นถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำเพราะมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นดังพลอยกับจิตใจของเราถ้าเราไม่ระมัดระวังจิตใจของเราจะไม่สามารถ สะอาดบริสุทธิ์ได้ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญให้ระมัดระวังต่อความผิดเล็กๆน้อยๆเพราะเมื่อทำไปแล้วมันจะขยายวงกว้างออกไปพอเคยทำได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะติดนิสัยทำครั้งที่สอ ง, ค ร, ง, ค, รงครั้งที่สามต่อมาและก็จะทำมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องปกติไป นี่คือพูดคืออภรรือเสื้อผ้า ท, ที่ทำให้ใจของเรานั้นสวยงามส่วนที่อยู่อาศัยที่หลบพิษภัยอันตรายต่างๆนี้ก็คือการทำจิตใจให้สงบด้วยการทำสมาธิวิธีการทำสมาธินี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันสำหรับผู้ที่ เริ่มต้นอาจจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ข้อสำคัญขอให้มีสติอยู่กับการสวดคือจิตต้องรู้อยู่ทุกขณะกับบทสวดมนต์อย่าสวดไปแล้วคิดเรื่องอื่นตามไปด้วยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจิตจะไม่เป็นหนึ่งจิตจะสลับไปกับบทสวดมนต์กับ ความคิดต่างๆจิตก็จะแกว่งไปแกว่งมาถ้าจิตแกว่งไปแกว่งมาจิตจะไม่รวมลงสู่ความสงบได้แต่ถ้าจิตมีสติรู้อยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียวสวดไปเรื่อยๆแล้วจะมีความรู้สึกเบารู้สึกสบายความคิดต่างๆที่พยายามที่จะสอดแทรกเข้ามาก็จะมีน้อยลงไป น้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะไม่มีความคิดอย่างอื่นเข้ามารบกวนการสวดมนต์เลยถ้าเราสวดไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าอยากจะหยุดสวดเราก็หยุดแล้วดูลมหายใจต่อไปก็ได้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้อยู่กับจุดที่ลมสัมผัสกับ กับกายคือบริเวณปลายจมูกหรือบริเวณเหนือลิ้นฝีปากขึ้นมาลมจะสัมผัสอยู่แถวนั้นก็ให้มีสติรู้อยู่กับตรงจุดนั้นอย่าให้จิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาให้ให้จ่ออยู่ตรงจุดเดียวเพื่อจิตจะได้นิ่งจะได้รวมลงอย่างง่ายดายเวลาดูลมไปแล้วถ้าลมเกิด ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจหลงเหลืออยู่เลยก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะตายเพราะบางท่านเวลาภาวนาดูลมหายใจแล้วพอลมละเอียดลงไปจิตละเอียดลงไปการสัมผัสรับรู้ลมก็น้อยลงไปจนเหมือนกับว่าไม่มีลมหายใจเหลืออยู่ก็เกิดความวิตก กลัวว่าตอนนี้ไม่ได้หายใจเดี๋ยวจะต้องตายแน่ๆก็รีบควานหาลมจิตก็แทนที่จะเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ก็ต้องถอนออกมาสู่ส่วนอย่าเพื่อที่จะได้สัมผัสรับรู้กับลมหายใจทางที่ถูกที่ควรขอให้เรามีสติรู้อยู่เท่านั้นก็พอรู้อยู่ว่าตอนนี้ลมหายใจ หายไปแล้วก็ไม่เป็นไรขอให้สักแต่ว่ารู้อยู่แล้วไม่นานจิตก็จะรวมลงสู่ความสงบได้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่มีสติมีตัวรู้อยู่นี้ยังไม่ตาย่อย่างแน่นอนไม่เคยมีประวัติที่มีคนนั่งสมาธิโดนลมหายใจแล้วตายไปจากการที่จิตรวมลงไม่รับรู้เรื่องของลม เป็นเป็นปกติเป็นผลที่จะเกิดขึ้นเพราะเวลาจิตรวมลงจริงๆแล้วจิตจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยบางครั้งบางคราวร่างกายนี้หายไปจากความรู้สึกเลยก็มีเหนือแต่จิตคือผู้รู้อยู่ตามลำพังมีความสุขมีอุบเบกขานี่คือที่หลบพิษหลบภัยต่างๆ เวลาที่เรามีความทุกข์วุ่นวายใจถ้าเราทำสมาธิเพนเราก็สามารถนาจิตใจของเราเข้าสู่สมาธิได้เมื่อจิตเข้าสู่สมาธิแล้วความวุ่นวายใจต่างๆเรื่องราวต่างๆที่สร้างความทุกข์ความกังวลต่างๆก็จะหายไปหมดถึงแม้เรื่องราวต่างๆยังมีอยู่ภายนอก จิตใจแต่ในขณะนั้นสำหรับจิตใจแล้วเหมือนกับไม่มีหลงเหลืออยู่เลยและเมื่อออกจากสมาธิแล้วจิตใจก็จะมีพลังมีเหตุมีผลที่จ ะ, ะเผชิญรับกับปัญหาต่างๆได้จะมองเห็นปัญหาไปอีกมุมมองหนึ่ง จะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเรื่องใหญ่โตจริงๆก็คือเรื่องจิตใจต่างหาถ้าจิตใจวุ่นวายแล้ว <im> เห็นอะไรไปนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นหมดแต่พอจิตใจสงบแล้วพอเห็นเรื่องราวอะไรต่างๆจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆปล่อยให้เรื่องราวต่างๆเขาวุ่นวายไปตามเรื่องของเขา ถ้ามีปัญญายิ่งจะสามารถนังับดับปัญหาได้อย่างถาวรปัญญานี้เปรียบเหมือนกับเป็นยารักษาโรคใจเป็นยาที่จะทำให้ความฟุง้งซ่านความทุกข์ความว้าวุ่นขุ่นมัวต่างๆภายในจิตใจหายได้อย่างถาวรส่วนสมาธิคือความสงบนี้จะ เพียงแต่ทำให้จิตนี้หลบจากปัญหาทำให้สงบตัวลงทำให้ไม่วุ่นวายไปได้ในขณะที่สงบแต่พอออกมาจากสมาธิแล้วมารับรู้เรื่องราวต่างๆก็ยังอดที่จะกระเพื่อมขึ้นมาไม่ได้ยังอดที่จะมีความทุกข์มีความวุ่นวายไม่ได้ ถึงแม้จะไม่รุนแรงเท่ากับในขณะที่ไม่ได้เข้าสมาธิก็ต่างแต่กำลังของสมาธินี้ไม่สามารถที่จะระ ง, งับความว้าวุ่นขุ่นวัวของจิตใจในยามที่ไปสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆที่มากระทบกับใจแต่ถ้ามีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ ใจไม่ควรที่ไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ควรไปยึดติดควรจะปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้ามีปัญญาพิจารณาอย่างนี้ได้ใจก็จะปล่อยอวางได้ถึงแม้จะสัมผัส ร, รับรู้เรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆแต่ใจไม่ได้เอามาแบกเอามาทุกข์เอามากังวลด้วยถ้าแก้ได้ก็แก้ ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันนี่คือปัญญาปัญญาจะเห็นว่าไม่มีอะไรคือสิ่งต่างๆในโลกนี้ใจไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของใจได้เสมอไปบางครั้งก็ได้บางครั้งอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็เป็น ตามที่ต้องการแต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นอย่างที่ต้องการก็จำเป็นต้องปล่อยปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเช่นร่างกายของเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีความเจ็บปวดตามส่วนต่างๆถ้าเราซื้อยามารับประทานยาแก้ปวดก็จะระ ง, งับความปวดไปได้แต่บางครั้ง ยาก็ไม่สามารถระงับความเจ็บความปวดได้ถ้าถึงเวลานั้นใจก็ต้องปล่อยวางความเจ็บปวดนั้นอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันใจของเราตั้งอยู่ในความสงบอย่าไปกังวลกับความเจ็บปวดเพียงแต่ทำหน้าที่รับรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันว่ามันเป็นก็เป็นไป มันเป็นได้เดี๋ยวมันก็หายได้แต่เมื่อเราไม่สามารถไปบังคับให้มันหายไปได้เราก็อย่าไปดิ้นรนเพราะการดิ้นรนนี้จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจซึ่งเป็นความทุกข์ที่เจ็บปว ด, วดรุนแรงมากกว่าความทุกข์ความเจ็บปวดของร่างกาย ความเจ็บปวดของร่างกายบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะระ ง, งับดับมันได้แต่ความเจ็บปวดทางจิตใจเราสามารถระ ง, งับดักมันได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้ถ้าเรามีปัญญาถ้าเรารู้จักปล่อยวางไม่ไปอยากกับความเจ็บปวดของร่างกายไม่ได้อยากให้มันหายไปหรือไม่ได้อยากจะหนีจากความเจ็บปวดนั้น อยู่ด้วยกันไปเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับฟ้าแฝดเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเราไม่ได้เป็นเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเรามีหน้าที่รู้ก็รู้ไปเท่านั้นเองถ้าทำอย่างนี้ได้ใจก็จะไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายหรือเมื่อถึงยามที่ร่างกายนี้จะแตกดับไป ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันใจก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเพราะใจได้พิจารณาร่างกายนี้แล้วว่าเป็นสิ่งที่จะต้องแตกต้องดับไปในวันหนึ่งอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว เ, เมื่อถึงเวลานั้นใจก็รู้หน้าที่ของตนว่าจะต้องทาอย่างไรก็คือต้องปล่อยวาง การปล่อยวางก็คือทำใจให้เป็นอุเบกขาตั้งอยู่ในความสงบไม่วิาพากวิจาร์ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของร่างกายไม่ได้อยากให้มันหายหรือไม่ได้อยากไม่ให้มันไม่ตายถ้ามันอยู่ก็อยู่ไปถ้ามันจะไปก็ปล่อยให้มันไปถ้าเราวีปัญญาอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าใจของเรา จะไม่มีโรคมาเบียดเบียนโรคของใจนี้ก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนั่นเองจะไม่มากระทบกับจิตใจเลยใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายทั้งในขณะที่ร่างกายเป็นปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและทั้งในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปใจจะไปได้อย่างสงบไปได้อย่างสบายนี่คือที่พึ่งของใจอย่างแท้จริงอยู่ที่ปัญญานี้และอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ศีลและอยู่ที่การทำบุญให้ทานการสงเคราะห์ดูแลผู้อื่น เพื่อเฟื่อเผื่อแพ่การเสียสละสิ่งเหล่านี้ทาไปแล้วจะทาให้ใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่ต้องนื่นร่นไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกทุกวันนี้ที่พวกเรายังต้องไปแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆนั้นก็เพราะใจเราขาดปัจใจสี่ของใจนั่นเอง เราไม่ค่อยได้ให้ปัจจัยสี่เท่าที่ควรถ้าใจเปรียบเหมือนกับร่างกายก็เปรียบเหมือนกับคนที่ขาดอาหารมีสูบผอมต้องคอยหาอาหารมารับประทานอยู่เรื่อยๆใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ค่อยได้ให้อาหารกับใจกันเรามัวแต่ไปหาสิ่งต่างๆซึ่งเป็นพิษเป็นภัยกับใจมาให้กับใจมากกว่า เช่นการหาความสุขทางโลกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นยาพิษสําหรับจิตใจไม่ได้เป็นอาหารยิ่งหามามากน้อยเพียงไรยิ่งทําให้ใจมีความหิวมีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงควรที่จะระมัดระวังยา ไปหาความสุขทางโลกมากจนเกินไปถ้ายังมีความจำเป็นยังไม่มีกาลังพอที่จะยับยั้งมันได้ก็ขอให้ลดลาวาสอกลงบ้างเาที่ยวน้อยลงหน่อยหาความสุขทางโลกน้อยลงหน่อยไปยังเข้าหาความสุขทางธรรมะให้มากขึ้นเพื่อใจจะได้อาหาร จะได้มีสิ่งที่ให้ความสุขให้ความอิ่มความพอกับใจเช่นวันนี้แทนที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็เลือกมาวัดมาทาบุญกันถ้ามีเวลาถ้าอยู่ค้างคืนได้ยังบางท่านก็อยู่ค้างคืนอยู่ค้างคืนสองคืนสามคืนใช้เวลาทำจิตใจให้สงบ รักษาใจให้สะอาดให้สวยงามด้วยการมีศีลมีธรรมแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับจิตใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรจะอยู่กับใจไปตลอดใจนี้เวลามาสู่โลกนี้ก็มา ตัวเปล่าเปล่าไม่ได้เอาอะไรติดมาเลยและเมื่อเวลาจะจากโลกนี้ไปก็จะไม่ได้เอาอะไรติดไปด้วยเช่นกันเวลาไปนี้สามีก็เอาไปไม่ได้ภรรยาก็เอาไปไม่ได้ลูกก็เอาไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราเอาไปได้เลยที่เป็นวัตถุสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือปัจจัยสี่ของใจที่เราได้ ที่เราได้สร้างไว้นั่นเองถ้าเราทำบุญให้ทานเรารักษาศีลเราทำสมาธิเราเจริญปัญญาเราก็จะมีปัจจัยสี่ติดไปกับใจไว้คอยดูแลจิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจนกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือบ้านของใจเมื่อถึงบ้านของใจแล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยสี่อีกต่อไปเพราะใจไม่ไม่เดินทางไปไหนแล้วใจได้ถึงบ้านแล้วที่บ้านก็มีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูบรณ์ดอเราอยู่บ้านแห่งนี้บ้านของใจนี้ก็คือบ้านที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงและได้พำนักอยู่เมื่อเรา ได้บำเพ็ญบุญกุศลต่างๆตามที่ได้แสดงมานี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ไปถึงบ้านหลังนี้เราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ได้ไปถึงก่อนเราแล้ ว, ลวนี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือการดูแลรักษาจิตใจบา ร, รุง จิตใจส่งเสริมจิตใจให้ได้ไปถึงบ้านที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ป น, น, นอยู่เลยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พวกเราทั้งหลายควรที่จะมุ่งมั่นไปกันส่วนเรื่องงานการอย่างอื่นถ้าเรามีความจาเป็นเราก็ทาไปแต่อย่าไปหลงยึดติดกับการงานเหล่านี้ ว่าจะเป็นสาระเป็นที่พึ่งของเราเป็นสาระเป็นที่พึ่งได้ก็กับร่างกายเท่านั้นและเป็นสาระที่พึ่งชั่วคราวเพราะเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้หมดสภาพไปสาระที่พึ่งต่างๆของร่างกายก็หมดสภาพไปเช่นเดียวกันกลายเป็นของผู้อื่นไปจึงไม่ควรที่จะเสียเวลากับการ สร้างสารณะที่พึ่งทางกายมากจนเกินไปพอให้อยู่ได้ก็พอแล้วให้เอาเวลาที่มีค่านี้มาสร้างสารณะทางใจกันดีกว่ามาสร้างบุญสร้างผุศน์ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการทำสมาธิด้วยการเจริญปัญญา แล้วเราจะได้มีที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดอนันตการไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการดูแลรักษาจิตใจให้ปัจจัยสี่แก่จิตใจด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องให้ท่านได้นำไปพินิพิจารณา และปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุนที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยมีพระพุทธประธานพระสงค์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ